แนะนำบทอัลฟีลบทอัลฟีลเป็นบทมั ก, กิยะมีห้าองค์การที่กล่าวถึงเรื่องเจ้าของช้างขณะที่พวกเขามุ่งไปเพื่อทำลายอัลกะบะดังนั้นอัลลอ์จึงตอบโต้แผนการของพวกเขาด้วยการสังหารพวกเขาอย่างราบคาบและทรงคุ้มครองบ้านของปรงุงจากการเข้ายึดครองและการล่วงละเมิด และส่งให้ไพรพลมาทำลายกองทัพของอับราฮัอัลอชรอมเป็นสองเท่าทวีคูณคือนกที่หอบก้อนหินก้อนเล็กๆอยู่ที่ขาและจะ ง, งอยปากของมันแต่ถ้าว่ามันสามารถทำลายและฆ่ายิ่งกว่ากระสุนทำลายซะอีกจงกระทั่งอลัลลอ์ทรงทำลายล้างพวกเขาจนหมดสิน้นและนั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในปีเกิดของมุฮัมมัด อิบูอับดุลลอฮ์คือในปีคิทสกราชที่570และนับได้ว่าเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่บ่งชี้ถึงความสัจจากแห่งการเป็นนบีของท่านบิิมลาห ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอเจ้าเห็นดอกหรือว่าพระผู้อภิบาลของเจ้าได้กระทากับพวกเจ้าของช้างอย่างไร พระองค์ไม่ได้ทรงทำให้แผนการของพวกเขาสูญสิ้นดอกหรือและได้ส่งส่งนกเป็นฝูงๆงลงมาบนพวกเขามันได้คว้างพวกเขาด้วยหินที่ทำด้วยดินแข็งและพระองค์ทรงทำให้พวกเขา เป็นด่งเช่นใบไม้ที่ถูกกัดกิน